Book 2 1สิบเก้านาในห้องครัววิรตูเวียคุณมีห้องครัวใหม่ใช่ไหมคะอ t ร์ต r ตรีนเวิรตูเว วันนี้คุณอยากจะทำอาหารอะไรคะกาุเชนเดคุณใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สทำอาหารอ r ร์ตูเวรดเอล็กทร่าอร์ดยมสิฉันควรจะหั่นหัวหอมดีไหมคะอาร์อชัชตูรุสปิยาสติเ s สวกูนสัส ดิฉันควรจะปอกมันฝรั่งดีไหมคะ a r aš t u r u n u s us k u s t i b u l v e s ดิฉันควรจะล้างผักกาดหอมดีไหมคะ a r aš t u r u n u p l a u t i s a a l t s แก้วน้ำอยู่ที่ไหน k u r r a t a u r i s, <S จานชามอยู่ที่ไหน คุณอี๊อ็นได้ชอนซ้อมและมีดอยู่ที่ไหนคุณอี๊อีรยดเคกคุณมีที่เปิดกระป๋องไหมคะอาร์ตูตูริคอนเซอร์วเตด e ริตัวว่าคุณมีที่เปิดขวนไหมคะอาร์ตูตูริบุตเตล t วเ i ดาริคุณมีที่ดึงจุกก๊อกไหมคะ Artu turi k a m š h a t r u k i คุณกำลังทำซุปในหม้อใบนี้ใช่ไหมคะ Artu v e r d i s r i b a š i t a m e p u o d a คุณกำลังทอดปลาในกระทะใบนี้ใช่ไหมคะ Artu k e p i ž u v i bon t o j e k e p t u v e y a คุณกำลังย่างผักบนเตาย่างนี้ใช่ไหมคะ อ r tu k ุ p i พ a เดรจัวเว š อ t นช r ต l อกริลโลดิฉันก n ลังตั้งโตอชป e n g i u s t <S a ตาลา k นี่คือมีดซ่อมและช้อนเช pe ระเปเล่ชักกุ š ิส์อิรชา e ก u เต้นี่คือแก้วน้ำจานและกระดาษเช็ดปากชรตริส Leikštės ir s e r v y t ė l i s